โยมมัคคณายกเถามว่าต้องพลมมาไหมไม่ต้องอ่ะเนาะเสียเวลาปลุมจะมาพลมไม่มาเรื่องของปลมหลวงพ่อมาแล้วก็เติดเทศแล้ววันนี้พวกเรามีโอกาสได้มาพบกันในงานศพของหลวงตาคนึบที่เคารพที่รักที่ศรัทธาของพวกเราวันนี้ท่านแสดงธรรมให้เราฟังนะ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 เป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเลยว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาในท่านสอนให้เราดูท่านเกิดมาเมื่อ90ปีก่อนผ่านความทุกข์ความยากลําบากมามากมายท่านเคยเล่าว่าชีวิตท่านต้องต่อสู้มากมายดังนั้นท่านเลยมีคําขวัญประจําตัวเรื่อยว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูเป็นยาชูกําลัง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 ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกเอาไว้อย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจแค่รู้สึกรู้สึกกับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งเนี่ยมันเกิดจากโลภะก่อนความอยากความโลบอยากจะรู้ให้ชัดๆนะก็ส่งจิตเข้าไปจ้องเอาไว้ในอารมณ์อันใดนหนึ่งเช่นไปจ้องใส่ลมหายใจเรียกเพ่งลมหายใจบางคนก็ไปเพ่งท้องฟองยุบ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 เห็นสิ่งใดเห็นกายเห็นใจนั่นเองมีดวงตาที่จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมียาณอุธตปาทิมีความอย่างรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับไปมีปัญญาอุธตปาทิรู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่ตัวเรามีวิชาอุธตปาทิรู้แจ้งในอริยสัจวิชารู้อริยสัจ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 อย่างเราอยากจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนายายายาี่เป็นความอยากที่ไรเดียงสาอยากให้ไม่ทุกข์นี่เป็นความอยากที่ไรเดียงสาใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งในกองทุกข์ในกายในใจนะความอยากมันจะดับไปเองแล้วก็ถ้าเป็นพระอระหันต์นะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกดับแล้วดับเลยของพวกเราก็ดับแบบพลุบลุโลๆดับไปแล้วแต่เดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวก็รู้ทันก็ดับไปอีกถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงาใจให้เรา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 ท่านอาจารย์พลศีด้วยท่านจัดงานมาช่วยเชียร์ท่านหน่อยเพราท่านเหนื่อยทำงานอย่างนี้เหนื่อยนะนี่วกตาพันนึกท่านก็จะทิ้งอัิธาต์ทิ้งอะไรไว้ให้เรานะอัิธาต์ของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกับสถูบเจดนะีนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะสร้าง พระเจดีบรรจุอัติธาตของท่านผู้ภาวนาดีๆอย่างนี้มีไม่มากหรอกเพราะฉะเรามีโอกาสแนละ้วเราก็ช่วยกันสร้างไม่ใช่โอกาสอย่างนี้จะมีบ่อยๆหลวงพ่อก็ช่วยน ะ, ะถ้าเราพักเพียร น, นะเราวันหนึ่งเราจะได้มีความสุขเหมือนท่านเจอท่านนะ้ท่านมีความสุขนะใครๆเจอท่านยกมือให้ดูซิโอ้รู้เจอกัน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 แม้ใจสงบก็ไม่เที่ยงมันเกิดระดับเกิดเป็นใจที่ลอยไปแทนหนีไปคิดแทนจะคอยรู้สึกนะคอยดูเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยครับ เ, เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ให้มากๆนะวันหนึ่งก็จะได้เป็นพระโสดาบานันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกแต่ต้องทําให้ถูกวิธีนะถ้าเอาแต่เพ่ง ๆ, ๆเอานะกี่ชาติก็ไม่ได้ ไ, ได้แต่เพ่งการเพ่งๆนั้วมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า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 ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสักราเอวเมวัยโตดินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังพฏิตังตุมหังขิปเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทพันนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ อาภิวาทานาสีลิสนิจจังอุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวทฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุแปลว่าดีนะจะดีได้ต้องทำนะเป็นสาธุเราไม่ได้อะไรหรอก